ไปทำความเพียรต่อค่ะหลวงตาก็พิจารณาซ้าๆไปเรื่อยๆค่ะนั่นแหละก็คือสติสมาธิปัญญาและความเพียรนั่นแหละจนต่อเนื่องไมกาดสายในอริยมรรคแปดองค์แปดนั่นแหละคือเพียรไม่ได้เพียรเพื่อจะไปเอาอะไรเพียรเพื่อปล่อยวางทุกอย่างลงให้จบลงที่ใจไม่เอาอะไรไม่ยึดถืออะไรในทุกขณะปัจจุบันส่วนหน้าที่ที่มีอยู่ ก็ยังคงทำหน้าที่ไปจกกนกว่าจะสิ้นสมมุติในโลกนี้อข้างหน้าเข า, เอ า, ขาบอกเาใบสั่งบอกว่าพัชรีพัชรีไม่มีอะไรจะถามหลวงตาก็คือก็อย่างที่หลวงตาสอนว่าก็มีสติแล้วก็คือณขณะนี้เราเรายังไอความเชื่อว่าเราไม่มีตัวตนเนี่ยมันมันยังไม่ไม่มันยังมีความ มีตัวตนอยู่ไงคะหลวงตาก็ได้แต่ว่าดูแต่ละขดะไปเรื่อยๆวางไปเรื่อยๆวางไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนกว่าจนกว่าวันหนึ่งมันจะมันจะเชื่อสนิทว่าตัวตนมันไม่มีเลยอย่างเงี้ยมันเหมือนจะถูกแต่ไม่ถูกมันยังงงงอยู่ค่ะหลวงตาใช่ใช่มันเหมือนจะถูกมันมันเหมือนงงงอยู่ใปรียคล้ากับถ้าถ้าถ้าทำอย่างนี้มันจะเหมือนกับอย่างนี้หนูยังยังเชื่อว่ากลางวันเนี่ยเดินไปในที่นี้ได้หมดเลย ตพอตรงคืนไม่กล้าเดินในในสวนธรรมเนี่ยพอมีคนก็บอกว่ามันผีดุตอนที่เราก็ไม่เคยเห็นผีตั้งแต่เกิดมาจนถึงโตจังหวัดนี้ก็ยังไม่เคยเห็นผีแต่มีคนก็บอกว่าผีดุเราเลยไม่เคยไม่กล้าออกไปเดินเราก็พยายามสอนบอกกันว่าผีไม่มีตัวที่นี่ไม่มีผีผีไม่มีตัวตนเราปรุงแต่งขึ้นมาเพราะเราไม่เคยเห็นผีถ้าผีมีเราก็ต้องเห็นผี นั่นผีที่นี่ไม่มีผีไม ko ่มีตัวตนเพราะเรามาอยู pero, water, ่ที not, not ่นี่ตั้งนานเราก็ไม่เคยเห็นผีงเงี้ยเราก็ท่องไปเรื่อยว่าเราก็จะท่องไปเรื่อยกว่าผีจะไม่มีตัวตนในใจของเราแต่จริงๆอ่ะกลงวันเดินไปมาได้กลางคือก็เดินไปมาได้ไม่เคยเห็นผีตั้งแต่มาอยู่ไม่เคยมีไม่เคยมีใครเห็นผีแต่เราก็จะขอท่องไปจนกว่าใจเราจะลงแก่ใจว่าผีไม่มีตัวตนมันถูกหรือผิดมันจะแล้วมันจะ ไปมันจะไปลงแก่ใจได้ไหมเพราผีไม่มีตัวตนเพราะจริงๆเนี่ยผีมันไม่มีตัวตนตั้งแต่แรกเพราะว่าใครก็มาอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วก็ทั้งกลางวันกลางคืนก็ไม่เคยมีใครเจอผีแต่เรากลัวผีอ่ะเรากลัวผีเราก็ปรุงว่าเดี๋ยวเราจะขอพูดไปจะ ก, กว่าเนี่ยผีไม่มีตัวตนผีไม่มีตัวตนตัวตนของผีไม่มีผีไม่มีตัวตนแล้วเราจะมีโอกาสหมดความกลัวผีไหมถ้าเราพูดไปอย่างเงี้ยเราต้องมีปัญญาว่าอ่า ก็ในเมื่อคนมาอยู่ก็ไม่เคยมีใครเจอผีตั้งกลางวานันกลางคืนเราก็ตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเห็นผีเห็นตัวผีแต่อัที่เราเนี่ยทําไมเราไปอยู่อยู่เราต้องบอกว่าผีมันมีตัวตนได้เราจึงไปกลัวผีตา ส, สันได้นี่มันเป็นความคิดความปรุงแต่งเราก็ต้องเอาปัญญาเข้าไปเห็นว่านี่มันเป็นความคิดปรุงขึ้นมาเป็นความคิดปรุงขึ้นมามันก็ปรุงมาจากอะไรปรุงมาจากเดิมเราก็ไม่ได้มีใครเราก็ได้กลัวผีมัน แ, แต่แรกแต่ว่เออมีคนมาพูดหเราฟัง เราก็เลยปุงขึ้นมาตั้งแต่ที่เขาพูดให้เราฟังเราก็เลยปรุงขึ้นมาอ๋อเราก็สาวไปหาความจริงอย่างเงี้ยว่ามันเป็นความปรุงแต่งจากความไม่มีคือไม่มีผีในใจเราแล้วก็มีผีเกิดขึ้นมาในใจเราเราก็อ๋อสาวไปจอเนี่ยอ๋อจริงๆมันไม่มีแต่เราปรุงว่ามันมีขึ้นมามันก็เลยมันมีอยู่ในใจเราแล้วเราก็จะเอาความคิดเนี่ยไปฆ่า ให้มันไม่มีแต่ไอ้ที่มันมีก็คือมันมีความคิดขึ้นมาแล้วอ่ะมันปรุงมีความคิดปรุงมแปลว่าผีมีแล้วเราก็เอาความคิดไปข้ามมันว่าผีไม่มีผีไม่มีผีไม่มีแทนที่เราจะมีปัญญาเขาเห็นว่าอ๋อไอ้ความคิดที่ผีไม่มีเนี่ยมันก็ปรุงมาจากความไม่มีแต่แรกไอ้ตัวเราเนี่ยพุทธเจ้าเขาบอกว่าตัวเราเนี่ยมันไม่มีมันมาจากความว่างเปล่าแล้วก็มันปรุงเป็นความคิดนั่นคือควาปรุงแต่งมีชีวิตจิตใจขึ้นมามีร่างกายขึ้นมาแล้วก็ดับกลับคืนไปแต่ละชาติ คือร่างกายก็ดับไปความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดับไปแล้วก็กลับไปสู่ความว่างเปล่าแน่นธรรมชาติของจิตเดิมแท้มีแต่ความว่างเปล่ามาจากอาวกาศแห่งจิตเดิมแท้ที่หนั ง, งสือตามหาบัวเล่มหนึ่งเขียนไว้อวกาศแห่งจิตเดิมแท้หรือลวงปู่ดูลนาตุโลที่ว่าเนี่ยเราปฏิบัติมาทั้งหมดเนี่ยคือกลับสู่คืนสู่มหาสุญญาตาหรือจักรวานเดิมเนี่ยที่เราปฏิบัติมาทั้งหมดเนี่ยคือเรามาจากจักรวานเดิมมาจากความว่างเปล่าแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็ มีร่างกายขึ้นมาแล้วก็ทุกอย่างก็ร่างกายและความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ <c oughs> ก็ดับไปแล้วกลับไปสู่ความไม่มีแล้วเร า, าเราสังเกต ด, ดีๆก่อนมีร่างกายเราในในชาตินี้ก็ไม่มีตัวเราลุปร่างแบบนี้แล้วก็มีตัวเราโผล่ขึ้นมาในในธรรมชาตินี้แล้วตัวเราก็ดับหายไปจากธรรมชาตินี้เราเนี่ยก่อนที่จะคิดก็ไม่ได้คิดพอคิดขึ้นมาแล้วความคิดก็ดับหายไปสู่ความไม่วา่างเปล่าจากความคิดก่อน ม, มีอารมณ์ก็ไม่มีอารมณ์ แล้วพอไม่อารมณ์แล้วอารมณ์ก็ดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีอารมณ์ก่อนมีความรู้สึกอย่างไรขึ้นมาก็ไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วพอมีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วความรู้สึกก็ดับไปสู่ความไม่มีความรู้สึกถ้าเราสังเกตดีๆความมีทั้งหมดมาจากความไม่มีแล้วก็มีขึ้นมาแล้วก็ดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีมันพิจารณาอย่างนี้เห็นความจริงอย่างนี้ไม่ใช่ไปท่องว่าตัวเราไม่มีตัวเราไม่มี แต่ให้เห็นพิจารณาได้ปัญญาว่าก่อนมีตัวเราในเ น, นี่ยก่อนมีตัวเราขึ้นมาเนี่ยมันมีตัวเราหรือเปล่าล่ะทาพ่อกับแม่ไมปผสมพันธ์กันเนี่ยแล้วจะมีตัวเราขึ้นมาไหมเนี่ยมันมีตัวเราเพราะว่าตั้งแต่พ่อกับแม่เราผสมพันธ์กันเราก็เลยมีตัวเราขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ตัวเราขึ้นมาก็ไม่ใช่ว่ามีตัวเราโตขนาดนี้มานั่งขนาดนั่งอยู่นี่เลยนะเราก็พิจารณาว่ามันมีเรามาจากไหนเออเราก็เห็นแล้วว่าโ อ, อ้ไม่มีตัวเรา โตก็มาจะมานั่งปุ๊บตรงนี้ลอยเหาะก็มาแล้วไม่มีเพราะว่าก่อนมีก็ไม่มีเสร็จแล้วมีเสร็จแล้วก็เป็นไงตายดับหายไปสู่ความไม่มีตัวเราอีกเหมือนเดิมแล้วก็ลองดูว่อาอ้าวในส่วนร่างกายแล้วส่วนจิตใจอ่ะเอา้าวตั้งแต่เวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์อ่ะอัตุขอมวสุคือไม่สไม่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางๆความรู้สึกแต่และความรู้สึก สัญญาความจำได้หม่รู้สังขารคือความคิดปุงปรุงคิดแล้วก็วิญญาณสัขารการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นายใจก่อนรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นใจใจก็ไม่ได้รับรู้นอกสจากว่าเดี๋ยวก็มีรูปผ่านมาจึงเห็นรูปมีเสียงเกิดขึ้นจึงได้ยินเสียงมีกลิ่นผ่านมาจึงได้กลิ่นมีรถผ่านมาจึงรู้รถมีสิ่งจะมาสัมผัสกายจึงรู้สัมผัสกายมีธรรมอารมณ์เกิดขึ้นคือเวทนาสัญญาสังขารเกิดขึ้นในใจจึงรู้วิญญาณจะเกิดไปรู้เวทนาสัญญาสังขารคือรู้ธรรมอารมณ์นั้น ก่อนรู้ก็ไม่รู้พอรู้แล้วก็ดับกลับคืนไปสู่ความไม่รู้แล้วไปรู้อย่างใหม่ต่อไปแล้วก่อนรู้ก็ไม่รู้วิญญาณก่อนก่อนวิญญาณเกิดก็ไม่มีวิญญาณเกิดมารู้พอมีอะไรมาให้ถูกรู้วิญญาณก็เลยเกิดมารู้เมื่อเกิดมารู้แล้วสิ่งที่ถูกรู้ดับไปวิญญาณที่มารู้ก็ดับไปพอมารู้แล้วก็ส่งต่อเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขความรู้สึกเป็นทุกข์ความรู้สึกไม่ไม่ถึงขั้นสุขทุกข์คือ ถูกใจก็ถ willing, ้าถ้าถูกใจสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยถูกใจก็เป็นสุขเวทนาถ้าไม่ถูกใจก็เป็นทุกขเวทนาข้าไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจก็เป็นอทุกก็มาสุขเวทนาก่อนมีเวทนาเกิดขึ้นเวทนาเกิดจากภาษะเมื่อไม่มีภาษาก็ไม่มีเวทนาเมื่อมีภาษะจึงมีเวทนาเกิดขึ้นเมื่อเวทนาเกิดขึ้นเวทนาก่อนมีเวทนาก็ไม่มีเวทนาแล้วเวทนาเกิดขึ้นแล้วเวทนาก็ดับหายไปแล้วก็ไปมีภาษะใหม่ ก่อมีสัญญาที่กระทบแล้วก็สัญญาจําได้หม่รู้สิ่งที่มากระทบในขณะนั้นแล้วก็ดับไปไปมีสัญญาอันใหม่สัญญากับการกระทบอันใหม่สัญญากับการกระทบอันใหม่เรื่อยไปสังขารความคิดปรุงปรุงคิดก่อนคิดก็ก่อนมีการกระทบก็ไม่คิดปรุงเรื่องนั้นพอมีการกระทบปุ๊บก็คิดปรุงเรื่องนั้นแล้วความคิดปรุงเรื่องนั้นก็ดับหายไปสู่ความไม่คิดปรุงเรื่องนั้นสรุปแล้วทั้งร่างกายและจิตใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก่อนมีก็ไม่มี มีขึ้นมาแล้วก็ดับหายไปสู่ความไม่มีก่อนมีก็ไม่มีแล้วดับหายไปสู่ความไม่มีใจจึงพิจารณาอย่างเนี้ยซ้ํำๆๆเข้าถึงความเป็นจริงอย่างนี้ใจยึงยอมรับว่าแท้จริงทั้งร่างกายจิตใจเรามาจากความไม่มีแล้วก็เกิดมีขึ้นมาแล้วก็ดับกลับหายไปสู่ความไม่มีใจก็เลยยอมรับว่าตัวเราจริงๆมันไม่มีหรอกไอ้ทความรู้สึกเป็นตัวเนี่ย มันคิดปรุงขึ้นมาก่อนมันคิดปรุงขึ้นมามันก็ไม่มีความคิดปรุงขึ้นมาแต่แล้วมันคิดปรุงขึ้นมาก็มีขึ้นมาแล้วก็ดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีถ้าไม่คิดปรุงมันก็จะปรุงเป็นความรู้สึกว่าเป็นผีมีตัวตนว่าจะปรุงเป็นรู้สึกว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นเราเป็นตัวเราถ้าไม่คิดปรุงมันปรุงไม่ได้มันจะรู้สึกไม่ได้เราลองคิดปรุงเป็นภาษาอะไรที่เราไม่รู้จักในโลกเนี้ยภาษาอะไรภาษาอังกฤษพอจะรู้ภาษาไทยพอจะรู้เอาภาษาอะไรที่เราไม่รู้ เราลองคิดปรุงเป็นตัวเราเราตัวเราดิอย่าคิดภาษาไทยนะอย่าคิดภาษาอังกฤษเพราะเพรท่านรู้อย่าคิดภาษาจีนด้วยภาษาการู้ภาษาจีนด้วยคิดภาษาปรุงที่ที่ไม่รู้ที่ภาษาอะไรเอ่ะภาษาเยอรมันปรุงไปสักว่าเราตัวเราดิปรุงได้ไหมไม่ได้เห็นไหมมันก็บอกอยู่แล้วว่าท่านต้องคิดปรุงเพราะว่ามันต้องปรุงเป็นภาษาไทยปรุงเป็นภาษาที่ท่านรู้จัก มันจึงปรุงเป็นเราเป็นเราเรารู้สึกว่าเราเป็นอย่างนู้นเราเป็นอย่างเงี้ยเราจะต้องทํำลายความรู้สึกนี้ให้ได้เดี๋ยวเราถูกใจเราไม่ถูกใจอีกแล้วเราอย่างงู้เราอย่างงี้เราอย่างนั้นเราเราหรือผมผมผมหรือหนูหนูหนูอย่างเงี้ยมันก tamam. ็ปรุงเป็นภาษาไทยได้แค่นเพรปรุงภาษาเยอรมันปรุงไม่ออกเอ๊ไม่มีคําพูดว่จาจะปรุงเป็นภาษาเยอรมันปรุงไม่ออกห้ามปรุงภาษาไทยนะมันก็เอ๊เอ๊เอ๊เอ๊ะไปรู้อะไรพูดไปออกนั่นแหละสุดายกับ ว่างเปล่าจากความปรุงแต่งเข้าถึงใจที่ว่างเป่าจากความปรุงแต่งเห็นหลายคนแม่นี่ว่ามาพอโดนใจแต่ละช็อตพูดสิพูดไม่ออกเห็นร้องไห้เป็นแถวต้องโยกกระดัษที่จู่ให้เห็นไหม น, นั่นแน่คือพอมันเข้าถึงใจใจมันปรุงไม่ได้พอถึงใจปรุงไม่ได้ น, น้ําตาล่วงไปห่อเป็นแถวต้องโยกกระดัษที่จู้ให้เป็นแถว พอใจมันปรุงไม่ได้พอเข้าถึงใจแค่นั้นแหละมันสะเทือนเลยโลกธาตุสะเทือนน้าตาล่วงไอ้ที่มันปรุงมันตัวตัวเนี่ยมันปรุงขึ้นมาเราต้องเออ <c oughs> เห็นความจริงอย่างนี้เข้าถึงความจริ ง, งนี้ว่าตัวตนจริงไม่มีหรอกมันปรุงขึ้นมาเออไอ้วความรู้สึกปรุงว่าเป็นเราเป็นเราเป็นตัวหนูตัวหนูตัวผมตัวผมไนอะ้เห็นว่าเป็นความปรุงแต่งแค่นั้นแหละเราก็จะเลยสิ่งนี้ไปได้ปล่อยวางความรู้สึกว่าตัวหนูตัวหนู ตัวผมตัวผมตัวเราตัวเรามันก็จะถูกปล่อยวางไปเพราะมันเห็นเป็นสังขารหรือสิ่งปรุงแต่ง